คุณจริงเรียนกรรมฐานได้ดีนะคอสีินจัดการได้ดีวันจันทร์กลับกลับหมดไหมหรือว่ามีไปเที่ยวที่อื่นต่ออย่างถ้าเรียนกับหลวงพ่อแล้วนะแล้วก็ร่อนเร่ไปเรียนวัดโน้นวัดนี้อะไรเงี้ยจะไม่รู้เรื่องหรอ แต่และที่สอน <c oughs> ภาษาไม่เหมือนกันหรือบางทีสอนภาษาเหมือนกันแต่สภาวะธรรมไม่เหมือนกันอย่างพูดเรื่องสติปัฏฐานใครๆก็พูดได้การตำลาพูดว่าเหมือนกันหมดแต่เวลาลงมือทำเนี่ยจิตมันไปถูกหรือเปล่าก่อนส่วนใหญ่จิตไม่อยู่ในทางสายกลางไม่หย่อนไปก็ตึงไป เมื่อก่อนที่จะไปเจริญปัญญาเนี่ยจุดสําคัญในเรื่องเรียนเรื่องสมาธิให้ดีก่อนเรื่องจิตตสิกขาะมีคนเล่าให้ฟังว่าเดี๋ yn ี้มีคนชุมหลวงพ่อนะทางวัดป่าลองว่าเดี๋ยวนี้หลวงพ่อประโมท ป, ปรับปรุงแล้วสอนเรื่องสมาธิด้วยฟังแล้วสงสารไงก็ไม่รู้ มันสมาธิคําว่าสมาธิเหมือนกันนะแต่ว่าปฏิบัติมันไม่เหมือนกันสมาธิมีตั้งหลายแบบสมาธิอย่หนึ่งเรียกว่ามิจฉาสมาธิสมาธิที่ไม่ประกอบด้วยสติเรียกว่ามิจฉาสมาธิไม่เป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานใช้ไม่ได้เลยอย่างนั่งสมาธิแล้วจีตออกนอกเห็นผีเห็นเทวดาเห็นมังกรเห็นอะไรอย่างนี้นะ ันไม่มีสาระอะไรอย่างมากมั ง, งกรก็มาขยับนิ้วให้ดูว่าเลขอะไรอะไรนี้นะ <c oughs> ไม่มีสาระอะไร <c oughs> หลือนั่งแล้วก็เคลิม้มลืมตัวเองครึ่งหลับครึ่งตื่น <c oughs> นั่งเนี้ยไม่มีประโยชน์เลยนั่งแล้วจิตไปอยู่ข้างนอกสว่างไปอยู่ข้างนอกอะไรจิตออกนอกไม่มีประโยชน์อะไร สมาธิที่ถูกเนี่ยจิตใจอยู่กับตัวเองจิตใจรู้เนื้อรู้ตัวจิตใจเป็นธรรมชาติธรรมดาจิตมนุษย์ปกติที่อยู่แล้วนะเราชอบไปดัดแปลงให้จิตเราผิดธรรมชาติในจิตโดยธรรมชาติของเราเนะ่มันสบายไม่เครียดเราก็ไปนั่งสมาธิทําให้จิตเครียดเครียดนิ่งนิ่งทื่อทื่แข็งแข็ ง, ขงอะไรเงี้ยอย่านั่งดีกว่า อย่านั่งดีกว่านั่งแล้วผิดอย่างนั้นรู้สึกตัวไปรู้สึกหรือถ้าจะนั่งสมาธิหายใจเข้าหายใจออกจะพุโทโธอะไรก็ได้แต่ไ ม, ม่ให้ขาดสติต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาอย่างนั้นถึงเรียกว่านั่งสมาธิเป็นสมาธิที่ถูกนีประกอบด้วยสติสมาธิที่ไม่มีสตินี่เป็นสมาธิไม่ถูกงั้นอลองรู้สึกตัวไปเรื่อย นั่งแล้วรู้สึกนะใจลอยไปรู้ทันนั่งไปอีกใจลอยไปอีกรู้ทันอีกรู้บ่อยๆในสุดจิตก็ตั้งมั่นตื่นขึ้นมาจิตตื่นแล้วมาเจริญสติเจริญปัญญานะทสติปัฏฐานต่อไปดูกายทำงานดูใจทำงานไม่ต้องห่วงว่ามักผลจะเกิดเมื่อไหร่มีหน้าที่เจริญสติปัฏฐานไปด้วยจิตใจที่ถูกต้อง จิตใจมีสมาธิถูกต้องคือจิตใจรู้เนื้อรู้ตัวเป็นธรรมชาติธรรมดานี่เองรู้สึกไปร่างกายมันเคลื่อนไหวจิตใจมันเคลื่อนไหวรู้สึกสุดท้ายปัญญามันก็เกิดร่างกายไม่ใช่ตัวเราหรอกมันของถูกรู้ถูกดูความสุขทุกข์ก็ไม่ใช่ตัวเราเป็นของถูกรู้ถูกดูความดีความชั่วไม่ใช่ตัวเราเป็นของถูกรู้ถูกดูจิตใจนี้ก็ถูกรู้ถูกดูเหมือนกัน จิตเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หลงเนี่ยเราก็ตามรู้ตามดูมไปเรืนะ่อยสุดท้ายก็เห็นว่าจิตมันเปลี่ยนแปลงได้เองเราไม่ได้สั่งให้สุขมันก็สุขได้เองเราไม่ได้สั่งว่า อ, อย่ามีความทุกขนะ์หน้าอย่างเงี้ยมันก็มีความทุกข์ได้เองนะบังคับไม่ได้บอกว่าอ ย, ากกดดออย่าโกรธมันก็โกรธได้เองอย่าโลภมันก็โลภได้เองอย่าหลงนะ พอคิดตั้งใจจะไม่หลงนะ่ะหลงทันทีเลยหลงคิดว่าทํายังไงจะไม่หลงนะพอหลงไปเรียบร้อยเพราะ้นเราคอยรู้ความจริงของมันไปเรื่อยในที่สุดเราก็เห็นความจริงของจิตใจจิตใจไม่เที่ยงจิตใจบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงถ้าตัวเราที่แท้จริงเราต้องสั่งได้ปราิฏไม่มีอะไรที่เราสั่งได้สักอย่างหนึ่งเลยในขันห้านี้ไม่มีอะไรที่เราบังคับได้เด็ดขาดตามใจชอบ เนี่ยดูของจริงไปเรือยวันหนึ่งก็เข้าใจความจริงจิตยอมรับความจริงอัานใหม่ๆจิตยังไม่ยอมรับความจริงนะจิตทนความจริงไม่ได้อย่างนั่งภาวนาไปแล้วรู้สึกว่าแขนนี้ไม่ใช่ตัวเราพอาเห็นอย่างนี้แขนไม่ใช่เราหรือขาไม่ใช่เราเลยนะตกใจกลัวลร้องไห้เลยบางคนร้องไห้เสียดายว่าตัวเราหายไปละ ทำไมเสียดายว่าตัวเราหายไปเพราะว่าคิดว่าตัวเรานําความสุขมาให้ถ้ามีสติปัญญามากกว่านั้นนะตัวหายไปได้ดีตัวนี้มีแต่ตัวทุกข์ไม่เห็นจะดีตรงไหนเลยนี่เราไม่มีปัญญาพอเราก็เห็นว่าเป็นตัวดีแล้วตัวดีไม่ใช่เราแล้วตัวดีหายไปแล้วนี่ยเสียใจแต่ภาวนาไปเรื่อยนะชนวันในจิตยอมรับความจริงไม่ใช่เราขันห้าไม่ใช่ตัวเราเรายอมรับได้นะก็ได้ธรรมะและ้วได้โสดาบัน เป็นพระสสดาบันรู้ความจริงแล้วว่าตัวเราไม่มีมีแต่ของที่เกิดแล้วดับทั้งสิ้นไม่มีสิ่งที่เป็นตัวตนถาวรคาว่าตัวเราตัวเราหมายถึงตัวตนที่ถาวร อ, อยู่ตลอดกาลอย่างคนทั่วไปเนี่ยคิดว่าจิตใจเป็นตัวเราใชไหมจิตใจของเราตอนเด็กๆด็กับจิตใจของเราเดี๋ยวนี้ก็เป็นคนเดิมเนีย่ยคนที่ไม่ภาวนาก็เห็นว่าเป็นคนเดิมจิตใจของเราเดี๋ยวนี้กับจิตใจปีหน้ามันเรื่องคนเดิมอยู่ ในภาวนาไม่เป็นแล้วภาวนาเป็นเราเห็นนะจิตเกิดดับอยู่ตลอดเวลาะเดี๋ยวจิตก็ดีเดี๋ยวจิตก็ร้ายเดี๋ยวจิตก็สุขเดี๋ยวจิตก็ทุกข์เดี๋ยวจิตก็ดูเดี๋ยวจิตเก็ฟังเดี๋ยวจิตก็คิดอะไรเงี้ยเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเราไม่ได้ไปสั่งให้มันเปลี่ยนมันเพลงของมันได้เองมันไม่ใช่ตัวเรานีอย่างเนี้ถึงจะได้เห็นความจริงของจิตใจจิตใจไม่ใช่ตัวเรา เนี่ยค่อยดูนะเบื้องต้นก็จะล้างความเห็นผิดว่ามีตัวเราต่อไปก็จะเข้าใจมากขึ้นขันห้าไม่ใช่ตัวเราแล้วขันห้าเป็นตัวอะไรขันห้าเป็นตัวทุกขันห้าเป็นตัวทุกพอรู้ลงไปได้พอรู้ว่าขันห้าเป็นตัวทุกเนี่ยจิตจะปล่อยวางขันห้าถ้ายังไม่เห็นทุก์ไม่ปล่อยวางเงั้นบางทีครูบาอาจารย์สอนนะถ้าไม่เห็นทุกก็ไม่เห็นธรรมไม่เห็นทุกก็ไม่เห็นธรรมะเพราะยังหลง เห็นของที่เป็นทุกข์ว่ามันเป็นสุขอยู่อย่างร่างกายนี่เป็นตัวทุกข์เห็นว่าเป็นสุขอยู่<ๆ>ก็เรียกว่าไม่รู้ธรรมะงั้นรู้สึกตัวไปด้วยนะเอาโสดาบันให้ได้ตัวนี้ยากที่สุดในบรรดาบรรลุมรมผลนะโสดาปฏิมักเนี่ยเกิดยากที่สุดถ้าเราได้โสดาปฏิมัคเป็นโสดาปฏิผลเป็นพระโสดาบัณแล้วที่เหลือมันจะเป็นเอง ยังไงก็ต้องได้สักกะคามียยังไงต้องได้อนาคามียยังไงก็ต้องเป็นผ่ารหัน์ในวันหนึ่งข้างหน้าให้ความยากที่สุดยากอยู่ตรงที่เป็นโสดาบัล น, นี่แหละมันฝืนความรู้สึกอย่างรุนแรงเรารู้สึกว่าตัวเรามีอยู่จริงๆริงเราต้องมาดูจนกระทั่งเห็นความจริงว่าตัวเราไม่มีตัวเราไม่มีเนื้ร่างกายไม่ใช่เรานะเป็นวัตถุของโลกเรายืมโลกมาใช้ชั่วคราว จิตใจก็ไม่ใช่ตัวเราเราสั่งมันไม่ได้มันเป็นไปนเองเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเขาเป็นของเขาเองเนี่ยดูซ้ําแล้วซ้ํำอีกจนใจยอมรับความจริงใจยอมรับความจริงก็ได้เป็นพระโสดาบันพอเป็นโสดาบันแล้วเนี่ยที่เหลือง่ายแล้วละ่ะเจริญสติปัฏฐานธรรมดารู้สึกกายรู้สึกใจไปเรื่อยดูไปเรื่อยยินสีแก่กล้าขึ้นมันก็พัฒนาขึ้นไปเรื่อย เป็นลำดับลาดับไปเราสั่งให้จิตบรรลุมากผลไม่ได้จิตบรรลุเองงั้นเราไม่ได้ทำอะไรเราแท่เจริญสติเรียนรู้ความจริงของรูปนามไต่ใจเรื่อยๆไปแล้วจิตเขาพัฒนาของเขาเองงนยากที่สุดอยู่ที่โส ด, ดาบันนี่แหละนพระพุทธเจ้าท่านเคยเทียบอัคราสาวกสององค์งนะพระโมคครลากับพระสารีบุตรพระโมคคลานะเนี่ยมีฤทธิ์มาก นะจิตใครเป็นยังไงรู้หมดเลยนะชั่มนี้ชํานาญมากแก้อย่างโน้นปรับอย่างนี้นะเขาพอน่าถูกบอกว่าโมคลาเนี่ยเก่งในทางสอนพระโสตบันนะให้ได้ธรรมะที่สูงขึ้นจนเป็นพระอรหันตนะ์ส่วนพระสารีบุตรนะ่ยมีปัญญามากนะแต่ไม่ได้มีฤทธิ์มากอย่างพระโมคลามีฤทธิ์เหมือนกันแต่ไม่มากเท่าพระสารีบุตรเนี่ยเก่ง สามารถสอนปุถุชนให้เป็นพระโสดาบันได้เกินะนพระโมคคะลาเก่งสอนพระโสดาบันเป็นพระอรหันต์ได้มากนะี่เก่งคนละแบบกันพระเจ้ายกย่องภาษาลิบุตรนะเพระาะภาษาลิบุตรนะเหมือนพ่อเหมือนแม่เลยให้ชีวิตใหม่กับเราให้เราเกิดใหม่ในโลกุตตะภูมิภูมิของพระริยานะได้เป็นพระริยาขึ้นมาได้เป็นพระโสดาขึ้นมา ส่วนพระโมคคัลลานะเหมือนเป็นพี่เลี้ยงเราเราเกิดมาแล้วเลี้ยงเราให้เติบโตให้เราแข็งแรงให้เราช่วยตัวเองได้เพราะงั้นท่านบอกว่าพระสารีบุตรนะเหมือนพ่อแม่พระโมคคัลลาเหมือนพี่เลี้ยงเพราะงั้นสังเกตดูทําไมท่านให้ค่ากับการเป็นโสดาบันมากเพราะถ้าเป็นโสดาบันแล้ววันหนึ่งจะต้องเป็นฆาตละหันแน่นอนนะไม่มีทางหยุดอยู่แค่นั้นหรอก จิตมันจะไปเองมันเริ่มเห็นความจริงแล้วตัวเราไม่มีก็ค่อยรู้สึกนะสติสมาธิปัญญ า, ามทางานของมันเองนะมันไม่ลืมตัวเองเรามันคอยรู้สึกตัวสติมันก็ดีขึ้นสมาธิมันดีขึ้นปัญญาดีขึ้นมันรู้สึกตัวไปเรื่อยเเห็นความจริงของตัวไปเรนะื่อยเรื่อนสุดก็เห็นกายนี่ตัวทุกข์ว่ะไม่มีตัวสุขเลยนะถ้าเป็นภูมิธรรมที่จิตนั่นล่อนตัวเองออกมาจากโลกนะจิตจะหลุดออกจากโลกนะ โลกที่เราอยู่อย่างนี้จิตหลุดออกจากโลกเนี่ยอยู่ในภูมิธรรมของพระนาคามีนะงั้นถ้าเรามีหูมีตานะเรามองพระเรารู้ลนะถ้าใครได้พระอนาคาดูพุกอย่างนี้นก็จะเข้าใจเพราะจิตเขาไม่กลับไม่เกาะกาโลกสิ่งที่เป็นโลกนะมัมีรูปกนามรูปธรรมนมามธรรมเราไปรู้โลกด้วยตาหูจมูกลิ้นไก ออกไปรู้โลกด้วยตาหูจมูกเลี้นกายจิตจะไม่ยึดไม่ไหลไปในโลกนั้นการและปฏิฆาเนี่ยไม่มาควรใจเลยไม่มาเกิดกวรใจเพราะจิตไม่หลงกับรูปเสียงกิดรสสัมผัสทั้งหลายการปฏิฆาก็ไม่เกิดจะค่อยๆฝึกนะได้อนาคาเนี่ยจิตมันจะล่อนออกจากโลกแนละ้วมันไปสร้างโลกอีกชนิดหนึ่งขึ้นอยู่ โรคที่พวกเราอยู่นี่เรียกว่ากามาวาจรโรคแบบกามาวาจรภูมิกามาวาจรภูมิก็คือจิตยังร่อนเร่ไปทางตาหูจมูกลิ้นกายเรียกว่าร่อนเร่ยงจร อ, อยู่ยังร่อนเร่จรไปเรื่อยจรไปในกามาคุณอารมณ์รูปเสียงกิ่นรสสัมผัสทั้งหลายมายั่วใจให้วิ่งไปพอได้นาคาเนี่ยจิตร่อนออกมาละจิตไม่ไหลแพร ชืนมืดรูปเสียงกีรติรสสัมผัสอะไ ไ, ไม่เอาจิตไปชอบสิ่งที่ประณีตขึ้นไปนะรูประหาด้ารูปประหาคาอะราาไรพวกนี้ชอบอย่างศิล ป, ปะอะไรเงี้ยยังชอบได้อยู่นะศิล ป, ปะชัะ้นสูงมันชอบความสงบอะไรเงี้ยมัชอบได้อยู่อันนี้เป็นภพที่ละเอียดรูปประภพรูปประภพอะไรพวกนี้ยให้ชอบก็ยังมีกิเลส ละเอียดอย่งชอบอย่เทียบเขาเทียบเราอยู่เทียบเขาเทียบเราอย่างฟุงงซ่านในธรรมะอย่างเงี้ยยังมีแล้วก็ยังติดอกติดใจในรูปในรูปแต่ไม่ได้ติดในกามเช่ น, น <ะ S 2> ติดใจะอะไรที่เป็นสุนทรียศาสตร์อะไรพวกนี้ยติดใจได้อยู่ภาษาจีน ม, มีไหมอย่างชอบรูปวาดอะไรอย่างเงี้ยนะ ชอบเครื่องลายครามชอบแล้วมันมีความสุขทางใจทางที่บางคนชอบพระเครื่องพระเครื่องที่บางคนชอบหน้าตาน่าเกลียดจะตายไปอย่างบางองค์ดูแล้วน่าเกลียดมากแต่เห็นแล้วแม้มันมีความสุขมันปลื้มมันเป็นราคาที่ละเอียดมีอยู่ปีหนึ่งนะพ่อเจ้าจิบเนี่ยเขาเขาพิมพ์ปฏิทินแจกทุกปีมีรูปพระเครื่องมีอยู่ปีหนึ่งเป็นพระรูปหล่อ รู้จักรูปหล่อไหมเอาโลหะมาหล่อเป็นพระพระรูปหล่อเราก็เปิดดูนะหล่อตรงไหนว่ามันเห็นจะหล่อสโอกอะหน้าตาหน้าเกลียดจะตายแต่คนที่มีเนี่ยนะปลื้มนะมีความสุขนะไม่ได้สุขเพราะว่ารูปสวยใช่ไหมสุขเพราะว่าเป็นสุขทางใจเนียอย่างเนี้ ย, ยมันเป็นราคาที่ละเอียด น, นะพวกเราไม่ต้องห่วงนะถ้าเราได้โสดาแล้ววันหนึ่งใจมันก็ค่อยเรียนรู้ค่อ ย, ค, อยค่อยละของมันไปเองนะ เีพระรูปหลอดูเหมือนพูดจริงๆนะไม่ได้ดูถูกบางองค์เหมือนลิงอะ่ะออกมาอะไรก็ไม่รู้มันสวยยังไงนะรูปหลอ่อวิสตินะถือศีลห้าไว้ก่อนถือศีลห้าให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้บางครั้งเป็นกระวาดศีลห้าขาดอะไรยงี้ขาดแล้วอย่าเสียใจใต้ตั้งใจใหม่พยายามรักษาใหม่นะ แล้วก็ทุกวันให้จิตใจอยู่กับตัวเองอย่าให้จิตใจล่องลอยไปวิธีฝึกให้ใจอยู่กับตัวเองได้มากๆก็ทำกรรมฐานอย่างหนึง่งเช่นพุโทโธหรือหายใจแล้วคอยรู้เวลาจิตมนันหนีไปพุโทโธพุโทโธจิตหนีไปคิดรู้ทันหายใจจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจรู้ทันยต่ไปจิตไหลฟุ๊บรู้ปับ๊บสมาธิเกิด จิตไม่ไหลจิตอยู่กันเนือกับตัวเ น, นี่ยเราได้สมาธิที่ดีแล้วคือได้จิตใจอยู่กับตัวเองจิตใจอยู่ที่ตัวเองอย่างสบายๆโดยไม่ได้บังคับบางคนจิตใจอยู่ที่ตัวเองแต่บังคับนะเนี <wor> ่ยอย่างนี้ไม่เอ า, าใช้ไม่ได้นะจิตเครียดจิตเครียดไม่เดินปัญญาแล้วสมาธิก็ไม่เกิดด้วยจิตมันเครียดใหจจด้จิตสบายๆ ส, สมาธิมันเกิด ความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิงั้นเราใช้ชีวิตธรรมดารมดา ส, ดาสบายๆหายใจไปรู้สึกตัวไปพุโทโธไปรู้สึกตัวไปพอจิตหนีไปรเรารู้จิตหนีเรารู้แล้วก็กลับมาหายใจมาพุโทโธของเราต่อจิตหนีไปอีกก็รู้อีกไม่ห้ามว่าห้ามหนีนะถ้าบาังคับไม่ให้จิตหนีจะเครียดใช้ไม่ได้อีกละต้องไม่เครียดไมงั้นจิตหนีเรารู้จิตหนีเรารู้ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่ง นะแล้วจิตนี้แล้วรู้เราจะได้สมาธิที่ถูกต้องอเรามีสมาธิที่ถูกต้องจิตใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเราดูกายดูใจทำงานร่างกายทำงานจิตใจทำงานพอเนึกถึงร่างกายเราจะรู้สึกเลยมันไม่ใช่ตัวเรานะมันเป็นของถูกรู้ถูกดูมันไม่ใช่ตัวเราพอความรู้สึกสุขทุกข์เกิดขึ้นสติเราเระลึกได้ว่ามีความสุขทุกข์เกิดขึ้นนะ มันจะเห็นว่าความสุขความทุกข์ก็ไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเป็นของไม่ถูกรู้ไม่ใช่เราหรอกเวลาความโลภปลดหลงหรือความดีเกิดขึ้นนะสติก็ไปะระลึกรู้ก็เห็นอีกว่าความโลบปลดหลงหรือความดีเกิดเกิดดับดับไม่ใช่ตัวเรานะเราสั่งอะไรมันไม่ได้มันมาแล้วมันก็ไปเรียนรู้อย่างนี้เรื่อยดูจิตใจของตัวเองนะเดี๋ยวจิตก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวจิตก็เป็นผู้คิด เดี๋ยจิตที่เป็นผู้เพง่งลงไปจอ้องอะไรเงี้ยนะจิตก็เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรามันบังคับมันไม่ได้เนี่ยเจริญปัญญาอย่างนี้จเจริญปัญญาเรื่อยไปมีสติรู้อยู่ในกายมีสติรู้อยู่ในใจเห็นความจริงของร่างกายมันไม่ใช่เราเห็นความจริงของจิตใจมันก็ไม่ใช่ตัวเรานะสุดท้ายปัญญามันเกิดจิตยอมรับตัวเราไม่มีเนี่ยเป็นพระโสดาบัน วันหนึ่งข้างหน้าจะได้เป็นพระราารนะอรหันต์นั่นคนจีนอยู่ไกลนะเรียนหลักให้แม่นหลวงพ่ออนุโมทนาด้วยมาเรียนหลวงพ่อเห็นหน้าแล้วหลวงพ่อปลื้มใจหน้าตารู้เนื้อรู้ตัวดีแต่ตอนนี้เริ่มไม่ปลื้มแล้วพอเริ่มเพ่งแล้วพอเริ่มเอาตีหลวงพ่อชม ต้องรักษาแชมป์ไว้รักษาใจทื่อๆใจทื่ออย่างนี้ไม่ดีนะเนี่ยอย่างเบอร์ห้าสิบสี่ตอนนี้ไม่ดีนะเบอร์ห้าสิบสี่เริ่มแข่งชื่อขึ้นมาแล้วอย่าไปบังคับมันรู้สึกมันอย่างที่มันเป็นแล้ววันหนึ่งจะได้ของดีนะการปฏิบัติธรรมไม่ใช่การนั่งสมาธิไม่ใช่การเดินจกกลม การปฏิบัติธรรมคือความมีสติรู้ความจริงของร่างกายของจิตใจเรื่อยๆไปนะจะนั่งสมาธิถ้าไม่รู้ความจริงของกายของใจนนั้นก็ยังใช้ไม่ได้จะเดินจงกรมนะเดินแล้วใจลอยหรือเดินแล้วสงบนิ่งอยู่เฉยๆซื่อบื้อยู่เฉยๆใช้ไม่ได้นะจุดสําคัญอยู่ที่มีสติมีปัญญาเรียนรู้ความจริงของกายของใจเรื่อยไปนะถึงวันหนึ่งก็ได้ธรรมะเองไม่ยากหรอก ไปถามคนที่ได้แล้วสิเขาจะบอกไม่ยากอนะย่างไปถามพระอนาคานะพระอนาคามีไปถามพระอนาคามีว่าเป็นโสดาบันยากไหมไม่เห็นยากอะไรเลยอ๋อไปถามพระอรหันต์วาเป็นพระอนาคายากไหมไม่เห็นยากอะไรง่ายๆนะครูบาอาจารย์เมื่อก่อนสอนหลวงพ่อนะโอ้ยไม่ยากหรอกพโมทไม่ยากหรอก ง่าการปฏิบัตินะแล้วท่านจะนิ่งไปนิดนึงนะอืมแต่มันก็ยากเหมือนกันแหละมันยากไหมที่เราจะรู้สึกตัวอยู่เรื่อยเรื่มันยากไหมที่จะอ่านหนังสือเล่มเดิมตลอดเป็นปีปีอ่อ่านอยู่เรื่องเดิมอะเรื่องกายเรื่องใจเรียนรู้กายรู้ใจตัวเองเหมือนอ่านหนังสือเล่มหนึ่งหนังสือนี้เรื่องกายเรื่องใจมีอยู่เรื่องเดียวเนี่ยจะอ่านหนังสือเล่มเดิมเนี่ยทั้งปีหรือหลายๆปีเนี่ยยากนะมันขี้เกียจอ่าน มันอยากไปดูอย่างอื่นเนี่ยไปดูหนังฟังเพล ง, งอะไรมากกว่าเพราะฉะั้นที่ยากนะ่ะเพราะเราไม่ดูเราไม่ทําถ้าดูหรือเราทําอยู่ค่อยรู้ค่อยดูบ่อยๆไม่ยากหรอกจิตมันเป็นไปนเองต่อไปส่งกันบ้านให้พวกอยู่วัดก่อนใครจําเป็นส่งก็ส่งใครไม่จําเป็นก็ส่งไมนะ่หัดไว้ให้ดีบ้างอย่าวางพึ่งหลวงพ่อเยอะเกินนะพวกเราเยอะจํานวนมาทุกคนจะถามหลวงพ่อเนะี่ยเป็นไปไม่ได้ ไม่เหมือนสมัยหลงพ่อเรียนจากครูบาอาจารย์นะเราเข้าไปคนหนึ่งสองคนอะไรเงี้ยว่าครูบาอาจารย์สอนได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยสอนอยู่คนเดียวสองคนได้แล้วเดี๋ยวนี้ไม่ได้พวกเราเยอะอ้อาขอโอากาสครับรู้สึกไหมว่าจิตผิดปกติไม่ไม่รู้ครับรู้สึกอย่างนี้ปกติหรืออ่อไม่ไม่ปกติครับเออเห็นไมรู้แล้วว่าไม่ปกติ <laughs> อได้รับการบ้านจากหลวงพอ่อเราล่าสุดว่าโดนตัวทํายังไงจะดีหลอกอะไรนะโดนตัวทํายังไงจะดีหลอกครับเกิร์งเรื่องให้ดูกายไปบ่อยๆก็มารายงานหลวงพ่อครับที่ฝึกอยู่ใช่ได้นะจิต ด, ดีขึ้นเยอะเลยรู้สึกเปล่ารู้สึกอยู่ครับเอออย่าดื้อนนะเพราะงั้นหลวงพ่อบอกให้ทําอะไรก็ทําไปอีกไม่เลิกหรอกครับรู้สึกไปรู้สึกกายไปก็ได้แล้วมันเห็นจิตชัดขึ้นชัดขึ้นครับนะเอะ่ขอกันบ้านหนึ่งครับนีไงกันบ้านขอบคุณครับ การบ้านจะมีอะไรไม่รู้กายก็รู้ใจนะมีอะไรให้รู้ก็รู้อนั้นแหละไม่กายก็ใจมีอยู่แค่นั้นเองนะถ้ารู้แล้วเห็นความจริงของกายของใจได้ด้วยยิ่งวิเศษใหญ่รู้กายรู้ใจเฉยๆได้แต่สตินะถ้ารู้แล้วเห็นความจริงของกายของใจด้วยได้ปัญญาจะหลุดพน้นก็เพราะปัญญานะไม่ใช่เพราะสติแต่ว่าถ้าไม่มีสติก็ไม่มีปัญญาว่าไงนิ่ม ลหลวงพ่อได้ข่าว่ามาอยู่วัดแล้วตั้งปณิธานเสปิดวาจาไม่ใช่หรือคะงั้น ถ, ถามได้ยังไงอ่ะ <c oughs> ตั้งเมื่อวานนี่ค่ะวันนี้ยังไม่ตั้งอ๋อวันนี้ยังไม่ได้ตั้งตั้งเป็นวันวันอ้าว่าไป <c oughs> เห็นเห็นใจที่เกิดโนาดีโนาดีขึ้นกว่าแต่ก่อนแล้วแล้วทีนี้มันมันมีสภาวะใหม่ค่ะมันมันมีเคลื่นของความหมุนอยู่ที่หัดใจเอยที่อก เนี่ยแค่รู้นะค่ะรู้ไปแล้วต่อไปจะเห็นแต่ทุกข์มันจะมีแต่ทุกข์นะไม่มีอย่างอื่นเลยเพระว่าพอมันทุกข์ขึ้นมาเราเหนื่อยเต็มทีเราก็ทําสมาธิ <c oughs> พักผ่อนถ <c oughs> ัาผ่อนพอสมควรแล้วเราถอยสมาธิออกะถอยออกมาอย่างนี้เนาะโนมโนมไปปุ๊บอย่างเงี้ย ถ่ายขึ้นมาพอรู้แล้วก็มาเดินปัญญาต่อเห็นมันหมุนมันอวนมันเวียนอยู่ในกลางอกเนี้ยดีเพราะน่าดีขึ้นมากมเลยคล้ายๆกับมันจะหลุดหรือไม่หลุดหรือะไรไปนะมันมันคล้ายๆกับไอ้ที่หมุนๆคล้ายๆมันจะหลุดหรือไม่หลุดไม่ต้องให้มันหลุดไม่หลุดหรอกมันเป็นไงมันเป็นไงรู้อย่างนั้นมันมันเป็นของมันมันเป็นเอง แต่ถ้าดูแล้วจนเบื่อดูแล้วจนเหนื่อยก็ทำสมาธนะิออกจากสมาธิดูต่อดูสบายๆดูแบบจิตไม่เข้าไปเกาะที่หลวงพ่อว่าดีคือเดี๋ยวนี้จิตไม่ไหลเข้าไปเกาะจิตมันดูอยู่ต่างหากขันมันแยกถ้านะจิตโดนเข้าไปจับนะอันนี้จิตกับสังขารเข้าไปรวมกันไม่ดี <c oughs> เราแหละถาม จิตมีโมหะรู้สึกไหมไม่รู้สึกค่ะมัวไหมรู้สึกมัวไหมมันไม่ไม่รู้รู้สึกซึมไหมน่าจะเออถ้าดูจิตไม่ออกมันดูกายรู้สึกร่างกายไว้นะแล้วต่ไปจิตมันจะชัดขึ้นมาของหนูคอยรู้สึกกายไว้นะเพราะที่หลวงพ่อไม่ยอมให้ผ่านเพราะว่าจิตหนูมีโมหะมันมัวแต่ไม่เห็นเนี่ย เพราะฉ้นเราต้องฝึกรู้สึกที่ร่างกายรู้สึกด้วยใจที่สบายไม่ได้รู้สึกด้วยใจที่ผิดปกตินะให้รู้สึกด้วยใจที่สบายสบายยิ้มหวานก่อนยิ้มแบบข้างในเครียดรู้สึกไหมไม่รู้ค่ะเนื้อรู้สึกตายไปรู้สึกไหมร่างกายมันสายหน้าหนูดูกายหนูดูจิตไม่ออกดูกายไปนะดูกายก็ได้ดูจิตก็ได้บรรลุเหมือนกันอ้าวต่อไป กลับ น, นมันสการหลวงพ่อค่ะก็จิตสงออกรอบบ่อยค่ะหลวงพ่อก็กลัวหลวงพ่อไหมอะไรนะคะกลัวหลวงพ่อไหมกลัวค่ะเมื่อกี้ออนะกลั ว, ลวให้ใ <น S 2> รู้นะกลัวเพระรู้คนไทยกลัวไมโครโฟนคนจีนชอบไมโครโฟนเจอแล้วต้องเอาแล้วนะต้องถามรู้สึกตัวนะรู้สึกตอนเนี้รู้สึกไมใ้ใจมันอยู่ข้างนอก เนือ้อใจมันไหลไปข้างนอกเรากลับมาที่ร่างกายมันรู้สึกร่างกายกําลังพันนมมือรู้สึกไหมร่างกายพยับหน้ารู้สึกไหมอย่าแต่อย่าให้จิตมันนิ่งแบบนี้รู้สึกไหมว่าไปแทรกแซงทําให้จิตนิ่งกว่าความเป็นจริงใช้จิตธรรมดาเออใช้จิตอย่างนี้รู้สึกร่างกายไปจะเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเรานะแล้วของหนูอย่าทิ้งกายนะหนูเป็นคนรักสวยรัก ง, งามหนูดู ก, กายไว้ให้มากๆ เป็นกรรมฐานที่เหมาะแล้วมันจะเห็นจิตชัดเองดูกลยไว้ขอบพระคุณค่ะหลวงพ่อต่อไปยกมือเชิญหลวงพ่อแนละ้วทอใจกับคนจีนมากเลยเ <laughs> ยกเก่งเหลือเกินสี่สิบหกห้าสิบหกเบอร์สามเบอร์สองเบอร์หนึ่งเบอร์เจ็เบอร์แปดเบอร์เก้าเบอร์สิบ นะเอาท่านี้ก่อนนะโอ้โหปากกาบี่้ยไม่มีแล้วแบบว่านะอันไหนมันเขียนไม่ติดแล้วก็ทิ้งมันไปมันแย่ ม, มนกันกระไิบไี่้ยอ่านยากยิ่ยงกว่าศิลาจารึก อ, อีก สี่สิบหกครับรูสการ์ของพ่อครับเ อ, อ่อะสมการบ้านครั้งที่สองครับปฏิบัติมาสามเดือนทุกวันไม่หยุดเลยครับโอ้ดีครับตามตามรูปแบบนะครับแต่ว่าเวลาปฏิบัติเนี่ยเวลาเห็นอะไรเข้ามาในใน ในจิตที่เห็นนะครับทํามันจะสอนตลอดเลยนะครับเดี๋ยวปฏิจจสมุปบาทเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยครับเออไม่ทราบจะให้รู้ทันว่าจิตกําลังฟุ้งซ่านรู้เข้าไปตรงนี้เลยฟุ้งซ่านในธรรมะนะครับคือฟุ้งซ่านครับจิตที่ฟุ้งซ่านในธรรมะ ม, มากๆเนี่ยมันคือวิปัสสนูอย่างหนึง่งนอะี่ยฟุ้งไปในธรรมะปัญญามันจะแตกฉานรู้อะไรเยอะเลยจะเป็นภาระของใจครับ ให้เรารู้ทันว่าจิตฟุ้งซ่านแล้วจิตหจะสงบมีสมาธิขึ้นมาใหม่นะล้วอย่าไปคิดมากนะให้คอยรู้สึกเอาครับที่คุณภาวนาใช้ได้นะภาวนาแล้วส่วนที่จิตมันพูดทำม้ามสอนธรรมะอะไรนี่ยให้รู้ทันว่าฟุง้งครับถ้ารู้ไม่ทันมันจะเป็นริปัสนูครับสองอันที่มันหมดแล้วแยกไปเลยทิ้งไปส่งไปไะเมื้นเดี๋ยวพู้นี้ก็กลับมาอีก เบอร์สามเบอร์สามเดือนกว่าๆทำได้ขนาดนี้เก่งนะใช้ได้ชะนล้นเอาเบอร์สามว่าไปโอ้คิงลงจกลงลง้ขอคำแนะนำจากหลวงพ่อครับหรออาจารย์ประสารไม่ได้แนะนำนเลยหรอ <laughs> ยังติดเท่งอยู่นะ ของคุณเมื่อกี้ที่หลวงพ่อเรียกเอ๊ะเมื่อนี้เบอร์อะไรเบอร์ใช่ไหมอันนี้56ไปแล้วในะเบอร์สามเมื่อกี้เบอ 3, เร์สา็นั่งเพ่งอยู่ตอนที่หลวงพ่อเทศยังติดอยู่นะตอนนี้คิดก็ยังคหลวงพ่อทำหน้าให้ดูเนี่ย <laughs> อย่างนี้ไม่เอานะ จิตมันนิ่งๆอยู่ข้างในเงนี้ยไม่ดีต้องให้จิตมันเป็นธรรมชาติเราถึงจะได้เห็นความจริงอย่างเราเคยมีนะทหารนายทหารคนหนึ่งนะเป็นนายพลนายพลใหญ่มากเลยเคยไปหาหลวงพ่อพี่เมืองการแกบอกว่าทหารนแก่เรียบร้อยมากทุกคนเวลาเดินผ่านอะไรเงี้ยเรียบร้อยหมดเลย เลวงพ่อบอกว่าท่านในผลจะไปดูว่าทหารเองตัวเองเรียบร้อยตอนเดินตรวจแถวเนี้ไม่ได้นะต้องแอบดูถ้าแอบดูแล้วถึงจะรู้ว่าเรียบร้อยจริงหรือไม่เรียบร้อยเดินลองไปแอบดูแง้มหน้าต่างดูทีอ๋อเวลาเดินนะไม่มีใครเห็นอะไรเงี้ยถ้าทางมันไม่เรียบร้อยเดินแล้วก็เตะโน่นเตะนี่ไปอะไรเงี้เราจะเห็นความจริงนะถ้าเราไม่ไปจ้องไว้ จิตใจนี้ก็เหมือนกันถ้าเราไปจ้องอยู่เงี้ยมันจะนิ่งนิ่งมันทำเป็นเรียบร้อยให้เราดูทั้งทั้งที่ตัวจริงมันเป็นลิงนะมันกระโดดไปกระโดดม า, าเราไปจ้องมันก็ทำเรียบร้อยเพราะเราเผลอมันก็ออกท่าเห็นไหมเอองั้นอย่ไปบังคับจิตให้นิ่งปล่อยให้มันทำงานเบอร์สองเบอร์ห้าสิบหกก็ลดไปได้แล้วใช่ไหม อะไรนะอ๋อห<啊>้าสิบหกยังเหรองั้นให้เบอร์ไปก่อนไหนไก็เรียกแินลี่งโป้是第一次来泰国，然后之前也没有学过任何其他的法，就学了这个。我感觉我自己还有很多不懂的地方，请龙波给我指点，谢谢。 เขาว่าเขาเป็นคนคนที่มาที่นี่ครั้งแรกก่อนหน้านี้ไม่เคยเรียนธรรมมาที่อื่นเพราะฉะนั้นเขาเขาบอกเขาไม่รู้ไม่รู้อะไรเยอะขอคําแนะนำจากหลวงพ่อครับนั่นแหละเพียบบุญแล้วไม่รู้อะไรมากนะไม่ต้องมานั่งแก้ทีหลังส่วนใหญ่ที่ไปฝึกกรรมฐานอะไรมานะไปฝึกเพ่งมาให้ใจนิ่งๆทั้งนั้นแหละงั้นเราไม่เคยฝึกเนี่ยเรามีจิตใจที่เป็นธรรมชาติธรรมดา เราคอยรู้สึกนะลองยิ้มซิรู้สึกไหมร่างกายมันยิ้มร่างกายมันพยักหน้าเนะียเราค่อยรู้สึกไปเรื่อยๆดูกายไว้เรื่อยๆนะเราเป็นคนรักสวยรักงามแล้วเราดูกายมากๆนะแล้วต่อไปแล้วจิตเราเป็นไงเราก็จะเห็นเองนะวันห้าสิบหกเชิญ กลาวนมรดกการหลวงพ่อเจ้าค่ะ<ม>ลูกส่งการบ้านเป็นครั้งแรกค่ะตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากเห็นจิตมันก็เพิ่มจิตก็เพิ่มแล้วหนูเห็นใช้ได้นะ <c oughs> อ, อไม่ใช่จิตจะเพิ่มแล้วไม่เห็นนงั้นถือจะใช้ไม่ได้ค่ะลูกเมื่อกี้ <c oughs> ก่อนจะพูดอ่ะก่อนจะพูดคำว่าลูกรู้สึกไหมมันมีแรงดันขึ้นกลางหน้าอกมันมีความอยากพูดเกิดขึ้น น, <c oughs> นี่ยเราคอยรู้ทันเลยนะมันจะผุดขึ้นมาเรื่อยๆ เดี๋ยวก็อยากอันโน้นเดี๋ยวก็อยากอันนี้มันผุดขึ้นที่เดียวกันนี้แหละแต่เราอย่าไปรอดูนะให้ความรู้สึกมันผุดขึ้นมาก่อนแล้วเราค่อยรู้เอาไมแหลการปฏิบัติค่ะเจ้าค่ะง่ายง่ายค่ะค่อยรู้ไปทั้งวันนะ่นแหละค่ะก็ลูกเห็นกิเลสเยอะอะค่ะเจ้าค่ะนั่นแหละดีมันก็โผล่มาจากอันี้แหละโผล่มาใช่บางครั้งมันไปเห็นย้อนหลังเจ้าค่ะหลวงพ่ออเห็นย้อนหลังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ค่อยมีประโยชน์นะเห็นย้อนนานๆนะ แต่ถ้าโกรธแล้วเราแป๊บหนึ่งเรารู้ว่าโกรธอย่างเงี้ยดีถ้ามื่อวานโกรธวันนี้รู้อย่างนี้ไม่ทันนะช้าไปเจ้าค่ะของหนูใช่ได้หนูดูจิตเป็นแล้วต่อไปนี้ก็ดูบ่อยๆแต่ตอนไหนฟุ้งซ่านขึ้นมานะก็พุทโธพุทโธไปค่ะคิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงครูบาอาจารย์อะไรก็ได้เจ้าค่ะค่ะกลับนิมมสการเจ้าค่ะเบอร์หนึ่ง 等你龙波真者，我16年来参修一次，这是第二次。我回去听龙波真者的法谈，回到身心看自己身心实相，内在里边的好多好多都是问题，好多的错误的，请真者指点。还有生气的。 คือเขาบอเาเขานีเปมาเขาคอสเทนี่ครั้งที่สองครับกลับไปแล้วเขาฟันทำมาหลวงพ่อจะดูกลดูใจทางานแต่บางทีเหงหงความความกรธ เกิดขึ้นเห็นความโกรธแต่เห็นเหมือนมีอะไรต้านอยู่ครับ <Yeah. S 2> อยากจะขอคำแนะนำจากหลวงพ่อครับเราไม่ห้ามมันนะเราเห็นมันผุดขึ้นมามนก็เห็นมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็หายไปแล้วก็รู้ว่ามันหายไปนะแล้วเราต่อไปตัวไหนเกิดขึ้นมาเราก็เห็นว่าทุกตัวแหละที่เกิดขึ้นมาดับทั้งสิ้นเลยไม่มีอะไรที่เกิดแล้วไม่ดับนะเราจะเรียนรู้ตรงนี้ไปเรื่อยๆ อ, อย่างแต่ก่อนเนี่ยเราจะดิ้นรนหาความสุข อย่งตอนเดี๋วนี้เราเห็นแล้วกระทั่งความสุขนะเกิดแล้วอยู่ชั่วคราวก็หายไป ใ, ใจก็ไม่ได้ร้อนอยากได้ความสุขอีกต่อไปหรือแต่ก่อนเราเกลียดความทุกข์เดี๋ยวนี้เราเห็นแล้วว่าความทุกข์อยู่ชั่วคราวเราก็หายไปใจก็ไม่เกลียดมันนเะ ใ, ใจเข้าสู่ความเป็นกลางสบายจะสุขจะทุกข์จะดีจะร้ายนะใจก็เข้าสู่ความเป็นกลางไม่เดือดร้อนไปฝึกเรื่อยๆไปเบอร์เจชดข 顶礼龙波，我平时在家有每天有固定修行，还有平时生活中关照，嗯，看看想请龙波看看我还有什么地方要改进的。 คือเขาอยากจะขอคําแนะนําจากหลวงพ่อว่าเขาควรปรับอย่างไรมั่งครับไม่ปรับหรอกนะร่างกายเคลื่อนไหวแล้วก็รู้สึกไปไม่ต้องปรับอะไรจิตใจเราเป็นยังไงเราก็รู้ไปไม่ต้องปรับอะไรรู้อย่างที่มันเป็นไม่มีการปรับปรุงอะไรหรอกนะแล้วมันดีเอง <c oughs> เบอร์แปดทีมมี้หลวงพ่อ 我是第三次来泰国，在第一次的时候，龙波指导我要关心，然后平常的时候我会觉得就是关心是就是次数不是太长，因为我觉得可能是因为场定不够，然后我增加了一些，嗯，当然这个增加可能也完全没有达到大家说很精进的地步，然后那个呃。 但但但我觉得现在我的记忆力好像一下子就退得非常厉害，就经常性的很多东西都忘掉了。我我不知道这种状态是不是正常，然后也想请龙波给我一些指点。เขาครั<中>文文้งนี<中文>้เขาเนี אן, ok ่ยเป็นมาเขาคอร์สขั้นที่สอนเขาดูจิตแตไปดูจิตบางทดูไนานเคิดว่าน่าว่าสมาธิไม่พอ คือเขาบอกชวนนี้เหมือนเร่อนี้จะรู้สึกว่าความจําไม่ดีคือวางของจะชอบเลืมครับเพราะฉะนั้นเขาไม่รู้ว่าเขามีปัญหาอะไรไหมอยากจะขอคําแนะนำจากหลวงพ่อเวลาเราทําอะไรนะเราต้องสนใจนะอย่างเราจะวางของตรงเนี้เราทําความรู้สึกเนะี่ยเราจะวางตรงเนี้ยไม่ใช่วางแล้วใจลอยๆไปเราไม่รู้ไปวางที่ไหนนะ่ะงั้นไม่ใช่ไม่รู้สึกตัวนะ ยำรู้สึกตัวไปเรนะื่อยๆจะทำอะไรรู้สึกตัวแต่ไม่ให้เครียดเกินไปแต่ไม่ใช่ทำอะไรก็ล่องลอยจิตใจไม่อยู่กับตัวเองวางของที่ไหนก็ไม่รู้อะไรเงี้ยจิตมันไปอยู่ข้างนอกอย่างขนดเนี้จิตอยู่ข้างนอกดูออกไหมเออรู้ทันแนละ้วนี่คอยรู้สึกไปรู้สึกอยู่ในร่างกายเรานะเห็นโครงกระดูกของเราไหมในร่างกายเรามีโครงกระดูก นะแล้รู้สึกไปสบายๆรู้สึกอยู่ในโครงกระดูกนะรู้สึกนะจิตอย่างนี้ไม่แปข้างนอกแต่ว่าให้ใจเราเป็นคนดูนะเห็นกระดูกมันอยู่แตห่หักใจเป็นคนดูกระดูกกับใจเป็นคนละอันกันไม่แปรรวมกันนะแล้วก็ดูร่างกายดูอะไรงเง้มันจะชัดขึ้นดีกว่ามันจะล่องลอยไม่งั้นมันล่องลอยไปนะใจมันลอย งั้นอย่างถ้าเราดูเข้าไปจนถึงกระดูกนะ น, นะแจมจะมีแรงจะไม่ล่องลอยมากแต่จุดที่ต้องระวังคือลองจะไปเพ่งเงากระดูกกระดูกมากๆเนี๋ยจิตไปเพ่งแรงๆที่กระดูกนะถ้าเพ่งแล้วมันจะอึดอัดถ้าอึดอัดนี้หยุดเลยปล่อยให้จิตเป็นธรรมชาติออกมานะนี่พักจิตเป็นธรรมชาติแล้วจิตกระจายหนีออกไปแล้วอะไรก็ไม่รู้ไม่ไม่เห็นแล้วไม่จํานะแล้วก็กลับมาดูในร่างกายดูกระดูกกระดูกต่อนะ อย่างนี้จิตเข้าออกเข้าออกเบิกก้าวเวลาดูกระดูกอย่าดูแดงนะแค่รู้สึกถึงกระดูกเท่านั้นไม่ใช่ไปจ้องอย่างนี้จ้องดูกระดูกอย่างนี้ไม่เอาเครียดเกินไป แ, แค่รู้สึกรู้สึกไม่ว่าเรามีกระดูกนะมีหัวกะโหลกมีอะไรเนี่ยรู้สึกไปเลย นในนีใจเราจะได้สมาธินะจะได้สมาธิที่ดีสมาธินี้เรียกว่ากยายพตาสติมีสติระลึกอยู่ในกายเป็นส่วนๆนี่เราลึกถึงกระดูกนะสมาธิดีขึ้นใจไม่ไม่ล่องลอยไม่ขี้หลงขี้ลืมไปแนะล้วร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกอันี้เดินปัญญาต่อเบอเก้าใช่ไหม 顶礼龙波。哦。嗯，我去年来的时候，请龙波看龙波，嗯，说我有点松。那这次回去以后呢，又不敢这么做，就是也经常在生活中去关照，然后看到意识里边有一个我心，会从那个意识里边跳脱出来，然后有时候看到心回来的时候，当下关的时候。 看到心有分量，然后再观的时候，那个分量就会消失，然后会心有一份的清明，眼睛也会明亮。嗯，这次要回去了，想秦龙波再给指导一下。ปีที่แล้วเขาเออหลวงพ่อเคยบอกว่าเขไปเวลกลับไปแลจะพยายามยึ่เออฝึกอยู่ใชีวิตประจำวันทัเห็นเห็นจิต ลึกมมีตัวตัวตนแต่เวลาเห็นตัวตนจิตจะถอยออกมาบันทีเห็นเ อ, อความเห็นใจหนักเห็นเวลาเห็นใ จ, ะจะหนักจใจมือความหนักมันจะมันจะหายไปครับอยากจะขอคําแนะนำจากหลวงพ่อครับรู้ไปสบสบายนะแล้วเราไม่ดึงตัวรู้ออกมาอ<ส>ะเราไม่จำเป็นต้องไปจ้องรักษาตัวรู้มากเกิดไปไมันจะเหนื่อย แคให้เห็นว่าร่างกายมันของถูกรู้ความรู้สึกมันถูกรู้อะไรเงี้ยแต่ไม่ต้องไปจ้องใส่ตัวที่เป็นคนรู้นะถ้าจ้องแล้วใจมันจะเครียดเกินไปรูส้สบายๆเรื่องตึงเครียดไปนิดนึงนะไม่มากใช้ได้อยู่อยู่ในกลุ่มใช้ได้เนะบอร์สิบเบอร์ิเบอร์ ส, รสคนจีนเนี้ยนะถ้าไม่พูดเนี่ยดูไม่ออกว่าคนจีนเลย หน้าตาเหมือนกันเนืนงแยกไม่ออกว่าใครเป็นใครจะแยกได้ตอนพูดเท่านั้นพราพูดไทยไม่ได้เอาว่าไปอ๋อถิลีลุงโอเออ我有两个问题第一个就是呃我在修行的时候有的时候我会感เออ我会觉得好像我就在看那个身体的苦或者说是心会跟着那个苦一跳一跳的但是 我看不到那个里面，有我。但是有的时候，好像那个知者又会消失掉。然后，就就想请农夫帮我开示一下，看一下有没有什么问题之类的。คือบาง但ีเห็นทุกแตหาไเจอตัวเราบทีเ 嗯，就是有时候会看到那个，自己看到身体在苦，然后还有就是心可能会跟着那个苦，就是会一跳一跳或者揪住，但是自己觉得那个里面没有那个我，但是就是这样的。啊，后面的问题就是记不得，后面的问题就是想请龙坡看一下了。Yes, I can recommend 龙婆。哈，他不听哑了。哈哈哈哈哈。 พอดีผมเขาถามสงข้อผมลืมสองข้อที่สงผมถามเขาเขาก็ซ้ำข้อแรกข้อที่สงเขาลืมเองก็ลืมนะครับค่อยเพิ่มสมาธิขึ้นนิดนึงนะใจมันยังฟุ้งซ่านเก่งอยู่งินทุกวันทำในรูปแบบ ทุกวันไหว้พราสวดมนต์หายใจไปแล้วรู้สึกตัวไปจิตหนีไปแล้วคอยรู้จิตหนีแล้วคอยรู้นะไม่ดึงเอาไว้ถ้าดึงไว้มันจะเครียดเพิ่มสมาธิขึ้นหน่อยสมาธิอ่อนไปขอบคุณที่หลวงพ่อหลวงพ่อจริงๆหลวงพ่อก็มีแท่นะหลวงพ่อแท่สนส่วนที่เป็นต้นไม้คุณแม่พระก็มีแท่แท่ลิน เอาตัดไปยกมือโอ้โหเยอะจริงจริง <laughs> เบอร์5เบอร์12นะเบอร์17เบอร์29เบอร์สามสิบเอาท่านนี้กัดเลเบอร์5 เบอร์ห้านมีทั้งเบอร์ทั้งเบอร์ห้สมีสองเบอร์ะเออนมเอออ我我的心感觉是整天昏沉然后没有心力เอ比较苦闷我这样是不是修了不了三宝也没法开发智慧เขาใจเ ง่วงทั้งวันคือไม่มีแรงเขาจะทราว่ากรณี้เขาอันนี้แสดงว่าเขาทําสมาธิไม่ได้จเจริญปัญญาไม่ได้ใช่ไหมครับได้ใช่เดี๋ยวไปถามหลว ง, งอ้างเนี่ยหลวงอ้างง่วงเก็งกับคนอื่นอีกการฝึกใหม่ๆนะโมหามครอบทั้งวันเลยแบบจะหลับทั้งวันเลยแล้วฝึกหมาจนได้ไปถามเทคนิคว่าทํำยังไง number 十二。呃，龙坡啊，那个我是第一次来泰国，然后我自从听了龙坡的法以后，我就觉得，呃，像记起了修行的方法，然后就特别踏实，像走到了一条回家的路。但是呢，我就发现我好像。 并不太追求要得到出果，或者是有什么样的境界，我我就只知道就是这样子就对了。所以我在想，我需不需要要有一个目标？我好像立不了什么目标，会不会有目标更能帮助修行了？然后，<考>嗯。好不？好我翻他妈龙婆，跟呃，เริ่มเลิกออกคือการภาวนา。 เป็นยังไงเขารู้ว่าฟันธำมาหลวงพ่อเหมือนจะหาทางที่กลับบ้านแล้วแต่ปัญหาเขาคือเขาไม่มีเป้าหมายเหมือนคนเงินเขาไม่ได้มีเป้าหมายว่าอยากจะเป็นผ้าโซดาฟันหรือว่าเป็นอะไรเขาจะทราบว่า น, นี่ไม่ถูกหรือว่าถูกครับไม่เป็นไรไม่มีเป้าหมายก็ได้ตอนหลงพ้อเจอหลวงปู่ดูล น, นะไม่เคยคิดเลยว่าจะเป็นโสดาเป็นสักการะคาเพ็นาหารอะไรไม่ได้คิดเลยแต่ว่ามันสนใจที่จะเรียนรู้ตัวเอง อย่าเราสนใจว่าทําไมจิตเราเปลี่ยนแปลงได้ทุกวันทําไมจิตเราทํางานได้แปลกๆอะไรเงี้ยเราเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะเรามากผลอะไรมันเกิดเองแหละงั้นถึงเราจะไม่ได้ว่าชีวิตนี้มีความทุกข์อยากจะพ้นทุกข์อยากจะนิพพานอยากจะได้เป็นโสดาอะไรไม่จำเป็นแค่ใจมันมีแรงจูงใจที่จะคอยดูคือมันรู้สึกว่าหมามันน่าเรียนมันน่าศึกษาแค่นี้ก็พอละ ให้มันมีแรงชูงใจที่จะขยันดูเท่านั้นแหละพอดูมากๆมกันก็เข้าใจไปเองให้กันบ้านนะคอยรู้สึกร่างกายเรื่อยๆรู้สึกที่ร่างกายเนี่ยบ่อยๆอืม还有刚开始我会觉得自己好像很着急的要修行可是过了几个月以后我就觉得就是慢慢就好它该有什么就会有什么 然然到回家的那地方。เ是是ข า, าไม่ไหมชั่วไม่ไหมเขาใจจะรีบร้อนอย่าจะภาวนาแต่เอเอไหนเดือนผ่าไปเหมือนใจจะสบายสบายเ<嗯>หมือนว่าค่อยๆเดินยังไงก็ต้องถึงบ้านแน่นอนใช่รีบรีบเดินนะหกล้มสัรั้ไม่ถึงบ้านนะ<嗯>ค่อยๆดูแต่ว่าไม่เลิกเดิน ค่อยๆดูไปแล้วปฏิบัติทุกวันทุกวันนะแล้วมันถึงเองแต่ถ้ารีบๆบระเดี๋ยวก็หมดแรงแล้วขี้เกียจปฏิบัตินะพยายามดูไปทุกวันทุกวันรู้สึกในร่างกายเรื่อยๆเมื่อสิบเจ็ดจิตส่งออกนอกลงโบขอบ<ะ> 呃，我有两个问题。第一个就是我去年来参加禅修的时候，那个时候的状态应该是很很想要解脱，所以那个心里面就是感觉很沉重，一股力量压在胸口。然后去年下半年之后呢，就是进入一种就是感觉是无生死可厌、无涅槃可乐的那种状态之后呢，心一下子松脱出来，就从那种想要解脱的欲望当中松脱出来。 然后松脱出来之后，就感觉很轻松自在。呃，后面就发现那个觉性，它是有时候就经常会自动自发的就在那里，它不需要任何的努力，就是好像本身就存在在那里一样。我想知道这个觉性是不是正确的？他妈鼻涕来，我妈靠！ จะมีมีความอยากโลดพ้นแรงมากแต่รู้สว่าจะทุกข์มากคือแต่ปีที่แล้วไทยปีเขาท่าบอกว่าจะเริ่มวางเหมือนไ ม, ไม่ไม่ได้วางความอยากคือจะบางทีก็เห็นความรู้สตัวสติเกิด<ม>อัตโนมัติเหมือน<ม>สติมีอยู่แล้วถ้าอยากจะทราบว่าที่ฝึก สติท่านถูกไหมครับที่ภาวนาเขาถูกท่านถูไหมครับถูกนะถ้าถูแลวสติเกิดเองเราเอยรู้สึกร่างกายจิตใจของเราไปเรื่อยๆต่อไปพอมีอะไรเกิดขึ้นในกายในใจสติจะเกิดเองมันจะรู้เองนะแต่ถ้าเรามีความอยากนะสิ่งที่เกิดขึ้นคือความทุกข์แน่นอนว่าความอยากเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ถึงจะอยากดีอยากได้มากผลแล้วก็ทุกข์ไม่มีข้อยกเว้นเพราะนั้นเราไม่ต้องอยากหรอกเราขยันทําเหตุ เราไม่ต้องอยากได้ผลเราทําเหตุคือมีสติรู้กายรู้ใจไปเรื่อยๆแล้วผลมันก็เกิดขึ้นเองนะมุ่งไปทําที่เหตุบ่อยๆไม่อยากได้ผลไม่ต้องสนใจผลแล้วผลมันเกิดเองถ้าเราโลภเราอยากได้ผลแต่เราขี้เกียจทําเหตุนะขี้เกียจ ด, ดูแต่อยากได้เป็นพระอริยะอะไรเงี้ยอย่างนี้ทุกข์เปล่าๆไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะเออคือมีที่มี 然后我那个今年是五月份，跟杭州一位居士呢，就是选择入世修行吧。然后就跟杭州一位居士在杭州，就是建一个觉醒之家，就是供大家共修的一个场所，大概三十亩地。呃，然后这一段时间就发现很多的事情之后呢，思维用了多了之后，我就发现那个定力完全退失了。 呃，现在就有点焦虑，就是担心自己又太过松了，所以我想请龙波看看，说我是适合就是先安安静静的一个人好好的进修，呃，就是体证到果之后再入世修行呢，还是我现在可以就是说先一边就是说建这个觉醒之家，就是这个共修中心，然后一边修行。谢谢龙波。 ถ้าอยากจะทบว่าคือปีนี้ประมาณ เมษาเตือมเมษาท่านกับโยมคนหนึ่งสองคนไปซื้อไปเช่าสถานที่อยากจะสร้าเป็นสํานักส่วนปนฏิปธรรมคือนั้นจะทำอย่างนี้แล้วท่านจะรู้สว่าใจจะฟุ้งท่านอยากจะทราบว่าจริงๆท่านควรให้ภาวนาะให้ตัวหินทพ้นก่อนแล้วจะไปทํางานตรงนี้หรือว่าสา ม, มารถทําพร้อมกันได้ครับตอนนี้ยังทำพร้อมไม่ได้แรงไม่พาะนะต้องพอนักก่อน ถ้าไปทำแล้วเราจะไม่ได้ทานาแล้วไม่จะไปตะลุมบอลทั่วนเลยจะ ไ, ไปยุ่งอยู่กับงานทั้งวันตอนนี้รีบภาวนาก่อนให้จิตใจเราแข็งแรงกว่านี้หน่อยแล้วค่อยทำขอบคุณค่เบอยี่สิบเก้าสวัสดีครับ ผมมาจากอเมริกาครับเส่งเป็นบ้านครั้งแรกครับหลวงพ่อตั้งหลักไม่ทันเลย<โ>อขอโทษครับเนื้อเนื้อคนจีที่ออขอโทษครับสัมเนียงหนักครับเกิดที่อเมริกาครับ <S <S คือผมฟังเทศหลวงพ่อมาเกินปีหนึ่งแล้วครับปฏิบัติเองครับแล้วก็ตอนนี้ไม่น่าใจว่าเป็นยังไงครับ <S <S ปฏิบัตถูกอ่ะถั่ว นะ <Okay. S 1> สังเกตไหมเนี่ยควารู้สึกตัวจริงๆเป็นธรรมดาเราไม่ได้มีอะไรแบบต้องบังคับตัวเองให้รู้สึกเลยรู้สึกอย่าตอนเนี้ใจลอยรู้สึกไหมใจลอยเก่งครับเนี่ใจลอยใจลอยเก่งดีนะ oh. ต่อไปนี่พอใจลอยแล้วรู้ไหวๆเท่านั้นเองฝึกกันเดียวพอถ้าเราทำกรรมฐานเนี่ยกรรมฐานสําหรับคนคนหนึ่งเนี่ยไม่ต้องการเยอะหรอกอย่างแค่ใจลอยแล้วรู้ใจลอยแล้วรู้แค่เนี้พอ ใจลอยแล้วรู้เนี่ยต่อไปจิตจําการใจลอยได้แม่นพอใจลอยปุ๊บสติจะเกิดเองถ้าใจลอยแล้วรู้เนี่ยกิเลสจะมาครอบงําจิตไม่ได้ศีนจะเกิดเองใจลอยแล้วรู้ใจก็จะไม่ลอยใจก็อยู่กับตัวเองใจก็มีสมาธิสมาธิเกิดเองใจลอยแล้วรู้เราเห็นนะใจลอยได้เองรู้ตัวว่าเป็นขึ้นมาชั่วคราวเดี๋ยวก็ลอยอีกนะทุกอย่างเกิดดับรู้ก็ไม่เที่ยงใจลอยก็ไม่เที่ยง รู้ก็รักษาไม่ได้ใจลอยก็ห้ามไม่ได้เป็นอนัตตาเนี่ยเราเจริญปัญญาอยู่เพราะฉะนั้นะ mm hmm. ตรงที่ใจลอยแล้วรู้เนี่ยเรารู้อยู่แค่เนี้ยถึงที่สุดของทูกได้เลยนั้นะ mm hmm. เล่นตรงนี้เลยถ้ามองตรงนี้เห็นนะ mm hmm. มองตรงนี้เห็นแล้วสบายนะขอบคุณครับเบอร์สามสิบอามาสกาลพ่อครับหรือว่าผลจีนอีกเอา เพราะผมภาวนามาในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยผมรู้สึกว่าจิตมันเริ่มเป็นธรรมชาติมากขึ้นกว่าเดิมจริงแต่ทีนี้ที่ผมมีปัญหาคือผมรู้สึกว่าจิตมันยังไม่ย้อนกลับเข้ามาที่กิตให้เห็นกิตชัดๆกรณีนี้มีคำไหนนะให้รู้เฉยๆว่าไม่ย้อนะจิตมันกระจายมันเจ้าออกนอกไปหน่อ ย, อยให้รู้อย<ม>่างนะี้เราใจไม่ชอบให้รู้ไม่ชอบนะจุดสําคัญอยู่ที่เป็นกลาง นั้นถ้าเรารู้สภาวะแล้วอย่างจิตกระจายออกไปเรารู้ว่ากระจายจิตเป็นกลางจะเข้าที่เองมันจะเข้าที่เข้าฐานเองแต่ถ้าจิตไม่เป็นกลางเราจะยิ่งดิ้นรนหาทางทาให้เข้าที่อย่างนั้นยิ่งไปใหญ่เลยอั น, นอันนี้เข้าใจแล้วก็ตอนนี้ก็ทำก็ก็แต่ว่ามันมันก็ยังไม่ไม่เข้าไม่เข้ า, เ ร, าเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเราเราเรียนเพื่อให้เห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเรา เราบังคับมันไม่ได้เรียนซ้ำแล้วซ้ำอีกไปเรื่ยที่ฝึกนะดีมากมากเลยนะสังเกตแล้วกล่าว่าจิตมันเปลี่ยนไปเปลีนแล้วครับจิตมันจ้าไปนิดนึงเท่านั้นแหละครับจิตถ้านาคารนะมันก็กว้างกนะว้างกว้างออกไปนะแต่ว่ามันไม่ได้ลอยตามออกไปจิตของเราไม่กระจายแล้วมันเคลื่อนออกไปนิดนึง ถ้าเราคอยรู้ทันอย่างที่เขาเป็นรู้ด้วยความเป็นกลางเขาไม่ใช่เราดยอย่างนี้นมัสการครับเชิญกลับบ้านท่านแสงเป็นวัดว่าเป็นวัดว่ารอนิ ม, มน <laughs> เอาแมสแจแมสไม่ถึงเป็นหวัดก็กลัวตอนนี้ไปตรวจเมื่อวันวันพุธนะเอ๊ะฝันพุธผนะ่านไปตรวจเม็ดเลือดขาวเหลือห้าร้อยเองถ้าต้องอาเ ม, ม็ดเลือดขาวไปจับเชื้อโรคอีกเม็ดเลือดหมดเลย